วันที่12สิงหาวันเกิดของหลวงตาเนี่ยใครใครก็อยากจะมาทำบุญใครใครก็อยากจะมาเคารพกาะวะหลวงตาใครๆได้เห็นก็เป็นบุญตาเป็นขวัญตาขวัญใจของผู้ได้พบเห็นสัมมนานันจะทธสนังเอตัมมังคารมุตตัมมังได้เห็นสมณะผู้ปฏิบัติีปฏิบัติชอบผู้สงบผู้ระงับ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 อยากจะเห็นอยากจะได้ยินไทยมุงมาแต่มุงมาแล้วก็จิตใจห่อเหี่ยวจิตใจสลดหดหูอันนั้นไปไหวเห็นสิ่งที่ไม่ดีเห็นสิ่งที่เป็นอั ป, ปมงคลแต่เห็นสิ่งที่เป็นมงคลก็เห็นแล้วก็มาแล้วก็นึกปลื้มปีติในจิตในใจนานเท่านานพอได้เห็นผู้ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบอันนี้ก็คือ ที่เราเกิดมาเราจะเลือกแต่ดีอย่างเดียวก็ยากมันก็ต้องประสบพบเห็นคราบๆกันแต่สรุปแล้วก็คือให้เลือกให้เลือกสรรแต่อาหารในสหรับกับข้าวของเราที่ใส่อยู่ในบาทเนี่ยไม่เชื่อันอยู่ในบาตรแล้วจะฉันทั้งหมดมีอะไรมันอยู่ในบาทแล้วนฉันทั้งหมดก็ไม่ใช่บางทีมีก้างมีกระดูกสิ่งที่ไม่ควรฉันก็มี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 จะไม่รู้จะทํำยังไงเราเกิดมาแล้วพ่อแม่พาทําชั่วแล้วก็ต้องทาชั่วตามฮะอนนั้นแปลว่าอาวัชชาตบุตรฮะหรือว่าอนุชาตบุตรบุตรเสมอพ่อเสมอแม่หรือว่ า, าวัชชาตบุตรบุตรที่ต่ํากว่าพ่อแม่ถ้าเป็นอภิชาติบุตรแล้วบุตรที่เหนือกว่าพ่อแม่แล้วต้องแนะนําต้องบอกกล่าวว่าอย่างนี้ไม่ถูกนะคุณพ่อคุณแม่นะแน่อย่างนี้ในครั้งพุทธเจ้าของเรา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 เกิดมาจากพ่อแม่ของท่านอีกคือมาจากปลูกยาก่าพะนั่นพอเกิดมาแล้วพ่อก่ะแม่ของท่านไปทาอะไรก็ไม่รู้อาจจะเป็นพิษงูเห่ามาั้งพ่นใส่ตาตาเลยบอดทั้งพ่อทั้งแม่พอตาบอดทั้งพ่อทั้งแม่ลูกชายกับพอที่จะช่วยตนเองได้ก็ประคับประคองดูแลพ่อแม่ อย่างดิบตีว่างันแต่เห็นมาพ่อแม่ตัวเองตาบอดก็เป็นเด็กที่คงจะเป็นเด็กที่หัวอ่อนนะว่างันเถอะเออเออหัวอ่อนอ่อนน้อมถ่อมตนอะไรก็ได้ลักษณะอย่างนั้นหละตามใจคนอะอะไรก็ได้ลักษณะนะ้ทีนี้ก็เลี้ยงพ่อแม่ด้วยความทนุถนอมมั่นขยันอีกต่างหากจนเป็นที่ยอมรับในคนคนในระหว่างนั้นในชุมชนนั้น แต่ต่อมาเด็กหนุ่มก็เป็นหนุ่มขึ้นมาเรื่อยๆทําทางงานบ้านทําทางงานนอกบ้านทําไร่ทํานาก็คืองานนอกบ้านแล้วกังานในบ้านก็คือกลับมาแล้วก็ต้องปฏิบัติทาความสะอาดหนึ่งข่าวหนึ่งน้ำเลี้ยงดูพ่อแม่ทําเอาหงอาหารอันนี้คือเป็นหน้าที่ของเด็กหนุ่มงางานจะหาได้กยากทีนี้ต่อมาก็พ่อแม่ก็เลยเ อ, อลูกเอ้ ถ้าลูกทํางานทั้งในบ้านนอกบ้านก็คงจะหนักหนาเกินไปควรจะหาครอบครัวให้จะเพื่อจะได้มาดูแลเลี้ยงพ่อแม่แต่ที่แรกก็ลูกชายก็ปฏิเสธเหือนกันโอ้อย่าที่แม่พ่อท้าได้คนดีมันก็ดีไปถ้าว่าได้คนไม่ดีมาแล้วก็ทําให้ไม่สบายใจเดี๋ยวก็พ่อแม่ก็ยิ่งตาบอดทีแล้ว จะมาเป็นพิษเป็นภัยขึ้นมาผมก็อกแตกท่านนะั้นแหะถ้าว่าเขาได้คนไม่ดีมาเอาก็คงไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อแม่จะไปบอกให้ญาติพี่น้องดูนิสัยใจคอของเขาเป็นคนหมันขยันแล้วก็คงจะเอามาเป็นลูกสะภ้ยก็คงจะเป็นคนดีอย่ามั่งลูกผลที่สุดลูกชายก็จายอมก็เลยพ่อแม่ก็เลยไปบอกญาติพี่น้องหาหญิงสาวมาแต่งงานกับลูกชาย พอมาอยู่ใหม่ๆก็ดีเนี่ยเพราะว่าตะแก่ก็มีมรดกมีที่ไร่ที่นาพร้อมที่จะสืบทอดจากพ่อแม่ไปได้แต่พอต่อมาที่นี่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยลูกสะภ้ยมันก็เบื่อพ่อผัวแม่ผัวที่นี่เห็นหน้ากันไม่อยากจะเห็นตาบอดอีกต่างหากทําอะไรก็ไม่ได้ได้ก็จูงไปขี่ได้ก็จูงไปเหยียว ก็ธรรมดาคนแก่บางทีก็สุ่มสุ่มซ้ำซ้ำอ๋อนั้นหกบ้างอันนี้หล่นบ้างคือคนตาบอดเนี่ยแรงความอัดตันตันใจแต่ละวีแตล่แตละวันก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นว่า ง, งั้นเถอะจนถึงจะฆ่าทิ้งได้ท่านนี่เอมมันถึงขนาดนั้นท่านนี่ผลในที่สุดก็เลยเอาอย่งไงนาะแกยุแยงผัวละท่นี่ให้ผัวไปฆ่าทิ้งให้ผัวไปฆ่าพ่อแม่เขาทิ้งว่า ง, งั้นะ แล้ลูกสะพ้ยไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันใครๆให้ระวังให้ดีก็แล้วกันนะวะออันนี้คือชาดกนะเออทีนี้ก็บอกว่าเออนี่แหละพ่อของเจ้าเนี่ยไม่ใช่ตาบอดธรรมดาในสุ่มสุ่มซำแซวนั้นบนหน้าบนหลังอีกต่างหากนาะวบางทีก็ทําให้อาหารหล่นเลียราดไปหมดเนี่ยแต่ละวี่แตล่ละวันโอ้ฉันนื่เบื่อเลยถ้าเป็นลักษณะนีน้คงจะอยู่กับเจ้าไม่ได้่ะเออลักษณะอย่างนี้แหละ ไล้ายๆพูดทุกวีทุกวันทุกวีทุกวั น, ววนสะสมไม่ความอัดอัน้นตันใจให้แกพ่อบ้านฟังงั้นแหละต่อมาตัวเองก็มีลูกขึ้นมาอีกคนหนึ่งอพอลูกขึ้นมาก็เลี้ยงลู ก, กเริ่มจะเป็นหนุ่มอะไรใช่ไเริ่มจะเป็นหนุ่มผลที่สุดแม่ก็พูดมากต่อมากวันหนึ่งก็เทเอาหงอาหารให้ลาดลงไปพอผัวมาก็มาพูดให้ พ่อบ้านฟังเนี่นะอันนี้ฉันไม่ได้ล้างนะมันเป็นอย่างนี้แหละทุกวี่ทุกวันเจ้าดูเอาซะอันนี้ไม่ล้างแต่ทุกวันที่ล้างนะที่ไม่เห็นที่ที่ว่าเรียบร้อยนะั่นแหะแต่ที่แท้คือตัวเองสั์ข้าวต้มอะไรให้มันเปื่อนเปิเปดเลอะเทอะว่าั้นนะ่ะไม่ใช่ของปู่ย่าสักหน่อยวงนะั้นแต่ไปว่าคนไม่ดี น, นั่นแหละนี่คนไม่ดีงั้นได้จะไัยไม่ดีว่างั้นแนตะ่พอได้ผู้โผลนะ่แล้วจะให้ค่อยทํำยังไง อ้าวเวลานั่นก็บอกให้พ่อแม่ชวนไปป่าเสร็จแล้วก็ไปป่าช้าแล้วก็ขุดหลุมแล้วก็ค้อนทุบแล้วก็ฟังเลยก็กลับมาเนี่นตอนไปให้ยากอะไรวางแผนให้เสร็จว่างั้นอะทั้งลูกชายนั่นก็เชื่อเมียอะไรบางเลยแล้วนะฟังความเมียคงหัวอ่อนอย่างที่หลวงพ่อพูดเบื้องต้นน่อยคงจะหัวอ่อนงั้นตามใจเมียว่างั้นเถอทะทอนนี้ไอ้ลูกชาย สิบสามสิบสี่ปีพอจะรู้บ้างไม่รู้บ้างแต่กับพ่อแม่พูดกับคงจะไม่ปิดบังลูกชายเท่าไหร่ลูกชายก็ฟังอพ่อแม่นะไม่เป็นธรรมแล้วในใจว่างั้นนี่แหละอภิชาตบุตระจะต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นพ่อกับแมนะ่ไม่เป็นธรรมแล้วข้าวนียวว่างั้นคงจะฆ่าปูล่ลลยฆ่าปู่ก็บฆ่าย่าละข้าวนียว่างั้นเราจะช่วยยังไงนาะในคิดแล้วเด็ ก, กว่างั้นแต่ว่านั้น พอเขาพูดเสร็จแล้วก็พ่อแม่วางแผนเด็กคนนั้นก็ได้ยินบ้างได้ยินบ้างแต่ในต่อมาพ่อ เ, เอาจริงๆทีนี้เทียมเกวียนเสร็จแล้วปั๊บที่น้องเขาอยากจะเยี่ยมนะอยากจะพบกับคุณพ่อคุณแม่ผมจะพาไปพ่อแม่จะไปไหมไปเสีลูกดีอกดีใจอีกต่างหากเพราะงั้นแตะเพื่อจะได้ไปเยี่ยมพี่น้องบ้านไกลผลนันสุก็เอาพ่อแม่ขึ้นเกวีน บอกขึ้นเกวียนเสร็จแล้วก็ลูกชายเนี่ยกระโดดขึ้นไปเกวียนด้วยลูกชายตัวเล็กๆน่อยลูกชายพ่อก็อบอกว่าเอ้ยไม่ต้องไปหรอกลูกไม่ครับผมจะไปด้วยออผลที่สุดแม่ก็ไม่รู้จะทํายังไงก็ให้ลูกชายไปด้วยพอไปเสร็จแล้วก็ขุดหลุมน่ะพอขุดหลุมเสร็จเรียบร้อยลูกชายก็พ่อจะทําอะไรเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยพูดให้ลูกฟังเอพูกลูกชายก็บอกว่าพ่อ ไอ้จอบก็ดีเสียมก็ดีที่พ่อออกมาเนี่ยเก็บไว้ให้ดีนะมันเพื่อต่อไปภายภาคหน้าทางว่าเผื่อพ่อกับแม่ตาบอดผมจะได้เรียนแบบพ่อแม่เพราะว่าพ่อพูดถูกแล้วบอกว่าพ่อแม่ตาบอดเราเลี้ยงก็ยากทุกข์กับท่านทุกท่านทุกเราด้วยทางว่าท่านตายเราไปฝังใช่เราพวกเราก็สบายท่านก็สบายไปอีก เพราะท่านก็ทําอะไรไม่ได้แ่้วท่านตาบอดเนยเพราะนั้นถ้าเว่าพ่อแม่ตาบอดต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยผมก็จะได้จัดการอย่างที่คุณพ่อพาทํานี่แหละผมเห็นด้วยที่พ่อทํำพ่อได้ยินเทอแน่นละยืนอึ้งเลยว่างั้นเถอะพ่อลูกชายจะฝังตัวเองอีกเหมือนกันว่างันเถอะผลที่ดรุดก็เลยไปกลับกลับกลับกลับไพอกลับทําไมคุณพ่อไม่ฝังเลยไม่่ะ เดี๋ยวกลําตามสนองมาน้่ไม่ทําละไปเดี๋ยวกลําตามสนองเออทีนี้ก็เลยพากลับมาพอกลับมาทีนี้แม่บ้านก็เตรียมเอาหงอาอันอย่างดีแล้วงั้นเลยนีน่เพื่อว่าผัวไปทํางานเสร็จเรียบร้อยมาก็จะได้กินเลี้ยงกันสนุกสนานป ร, ประสบความสําเร็จที่ตัวเองได้คิดเอาไว้อยู่งั้นแต่แต่พอกลับมาอีกมาเห็นปู่กับป้า น, นั่งในล้อในเกวียนมาอีก ลูกจะพายโมโหโถโสโมะเรงตึงนางเข้ามาบ้านนี่ทั้งลูกชายเนี่ยก็บอกว่าพ่อพ่อพ่ถ้าเป็นลักษณะนี้ไม่ดีเด้อผมก็ไม่เห็นด้วยนะคุณแม่จะไปทําอย่างนี้จะไปทําได้ยังไงปู่กับย่าเลี้ยงดูเรามาเ อ, อพิ่งมาอยู่แล้วจะมาทําอย่างนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยกับคุณแม่เพราะทั้งคุณพ่อไล่คุณแม่ออกละจากบ้านเอาอย่างนั้นแล้วเอ า, เ อ, าอย่างนั้นลูกชายก็เลยบอกให้ พ่อไล่แม่ออกจากบ้านเหมือนกันเลอพ่อแม่ก็โมโหพ่อก็ไล่ออกจากบ้านแม่ก็เลยหนีออกจากบ้านจริงๆเพราะพ่อไม่อยู่พอจากนั้นมาเอพออยู่เป็นหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์เอพ่อรู้สิว่าแม่ไปอยู่ทางไหนเหมือนกันสมมุติว่าไปอยู่ทางนู่ะอยู่ทางบ้านเพิ่มเนี่ยลูกชายกับแนะพ่อพ่อขี่ล้อไปหาเกวียนแล้วกันเขามาถามเจ้ามาอะไรโอ้ยเดี๋ยวนี้เมียค่อย หนีไปแล้วเดี๋ยวหาเมียใหม่ครสนใจคุณพ่อไปทางนูน้นนะผลที่สุดก็เลยปฏิบัติตามลูกชายว่ากันไอไปทางนูน้นอ๋อทีแรกก็ว่าจะไปเลยแหละแม่บ้านนะพอได้ยินคำเท่านั้นแหละอยู่ไม่เป็นสุขเลย เ, เนี่อแต่นั้นเข้ามาใกล้เธเนี่ยบอกว่าขอเข้ามาอยู่อีกจะไม่ทำอย่างนั้นอีก ลูกชายตัวเลกๆก็เลยบอกคุณพ่อไปรับแม่มาซะไปรับแม่มา ช, แมมาช่แต่ต้องสอนนะคุณพ่อนะสอนว่าอย่าทำอย่างนั้นอีกนะไปทำอย่างนั้นได้ยังไงมันเป็นบาปเป็นกล้ำฆ่าพ่อฆ่าแม่มันไม่ถูกนะเพราะนั้นอย่าทำอีกนะพ่อไปรับแม่มาจะนะคือพ่อก็เชื่อคำลูกแนละ้วไปรับแม่มาจากนั้นพ่อก็เลยสอนแม่บ้านดีกอย่าทำอีกอย่าคิดอีก ถ้าทิศทําอีกอย่างเก่าไม่ได้นะจากนั้นพ่อกับแม่กับลูกเลยอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขอนี่ท่านพระพุทธเจา้าท่านเนี่ยในชาตินั้นเราเป็นเป็นกุ ม, มารเป็นเด็กคนนั้นะ่ะได้ช่วยเหลือพ่อแม่ส่วนพ่อของเราก็คือพระ อ, อ, อานุนท่านว่างั้นนะแต่แม่เนี่ยท่านไม่ได้บอกว่าเป็นใครว่างั้นเถอะนี่แหละถึงท่านจะเกิดในตระกูลหรือจะเกิดกับพ่อแม่ที่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 ใช้สติใช้ปัญญาให้ศึกษาทั้งคดีโลกและคดีธรรมถ้าพวกเราปฏิบัติอย่างนั้นได้หลวงพ่อว่าเราไปเกิดไปอยู่ณสถานที่ใดความสงบพร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นกับตัวของเราเป็นอันรับแรกนะแล้วก็พร้อมากันก็ให้มีเมตตามีน้ำใจไปอยู่ณสถานที่ใดมีน้ำใจพอที่จะเฉลือเผือแผ่ได้แล้วก็เฉลือเผือแผ่คนที่มีจิตใจเฉลือเผือแผ่นหะลวงพ่อว่า มันตีทั้งนั้นนหล ะ, อ, ะอย่างหลวงพ่อมีลำไยหลวงพ่อก็แจกวัดนั่นแจกวัดนี่เออเาไปวัดหลวงตาให้เป็นผู้มีพระคุณหลวงหลว ง, งพ่อไปทั้งสามสิบกว่ากําลังนะ่ะเลินเทินทักกั้นอะอจากนั้นก็แจกวัดต่างๆแจกคู่แจกคนใครมาเนี่แหละถ้ามีน้ําใจจากนั้นก็สิ่งไหนทีค่ควรจะแจกสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์โรงร่ำโรงเรียนโรงพยาบาลถ้าเราพวกเรามีน้ําใจต่อกัน เพื่อนฝูงญาติพี่น้องก็มากเราจะไปน่าสถานที่ใดก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยเพราะเหตุไรเพราะเรามีน้ำใจเรามีเมตตานะเพราะฉะนั้นหลักของพุทธศาสนานี่สอนให้มีเมตตาให้มีน้ำใจแต่ถ้าคนใดก็ตามไม่มีน้ำใจไม่มีเมตตานะไปที่ไหนมีแต่จะเอารัดเอาเปรียบมีแต่จะไปคดไปโกงไปป้นไปจี้ไปเบียดไปบังเขานะไปที่ไหนมิแต่ดูด า, า, าว่าเก่าวมีแต่ใช้หมัดใช้มวยนะใครๆ จะมาใกล้เราได้ใครๆก็กลัวทั้งนั้นแหละนแต่ถ้าเราไปณนะสถานที่ใดมีแต่เมตตาเอื้ออารีต่อกันแหละความสงบร่มเย็นผาสุขก็จะเกิดขึ้นในกลุ่มของเราครอบครัวของเราวงศาคณาญาติของเรานะแต่ถึงยังไงหลวงพวกก่อก็ย้ำอีกย้าแล้วย้ำอีกว่าให้พวกเราทำดีไว้เถอนนะเพราะชีวิตของพวกเราไม่ถึงร้อยปีแล้ ต่างคนก็ต่างมาเกิดต่างคนก็ต่างตายไปเพราะฉะนั้นควรจะเอาเหลี่ยมหรือ ม, มุมหรือว่าความดีนั่นแหละเข้าหากันเอออย่าเอาเหลี่ยมหรือเอา ม, มุมเอาเรื่องความชั่วช้าลามกเข้ามาหากันเอาเหลี่ยมที่มันดีเออคิดดีพูดดีทดําดีเออเข้าหากันคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ดีต่างคนก็ต่างดีมีแต่ความเกือ้อกูลหนุนกัน ความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในกลุ่มของพวกเราแต่ถ้าว่าพวกเราหันแต่หันข้างใส่กันเหลือบก็ไม่เต็มตาเนี่ยเหลือบๆเบนะ่ยดูถูกเหย็ดหย่ำมองกันในแง่ร้ายไม่มองกันในแง่เหตุแง่ผลมีแต่มาณนะคือความแข็งกระด้างเข้าหากันอย่าหวังเลยชนชุมชนในกลุ่มนั้นจะมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายเต็มไปหมดนะเพราะฉะนั้น ให้พวกเราสั่งสมคุณงามความดีเอาไว้ผมพ่อย้ำแล้วย้ำอีกเกือบทุกวันนะวะ่าตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนะบาปบุญคุณโทษมีจริงนะอ่ะนรกสวรรค์มีจริงนะอะอย่างที่พ่อกับลูกเลยเห็นไหมทําไมคุณพ่อไม่ฝังคุณปูล่ล่ะคุณย่าละ่ะไม่ได้แล้วเดี๋ยวกำตามสนองฮะกำมมุนินาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกำที่ตนได้กระทาไว้ฮะ ในเมื่อเราเองฝังพ่อฝังแม่ลูกชายตัวเล็กมันจะฝังพ่อฝังแม่อีกฮะใครจะรู้ได้ในอนาคตนะเพราะนั้นอย่าทำเเลยดีกว่าเพราะกลัมชั่วนั้นย่อมเผาผลาญเมื่อภายหลังเพราะนั้นพวกเราหลักของพุทธศาสนาท่านสอนไว้อย่างนั้นใครทำกลัมอันไหนไว้จะต้องได้รับผลของกลัมนั้นเพราะนั้นพวกเราให้สั่งสมสร้างแต่คุณงามความดี สร้างแต่บุญแต่กุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจแล้วการเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นไปด้วยดีด้วยบุญกุศลนะวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดอีกแนวความคิดหนึ่งสำหรับพวกเราได้ฟังได้ศึกษาต่อเ น, นี่อไปรับพร อ, อนุโมทนาให้พร